ก็รั้งใจมาศึกษาไม่คิดอนี่มันรนู้ไม่ใคยคุยอเขา ม, มองแอปนันดแ ต, ต่ว่าตกไรที่ตกนี่เอามาจากามันอมาจากความรู้ความจริงค่าทางเพื่อนในเห็นมือ่ตลอดนะรับนอกจากไม่พูด อ, อยู่ไปใช่ไหมใช่ครับเขาปฏิบัตหนึ่ง เกี่ยวกับร อ, องด้านวัตถุแล้วเลียวดันทีมันไม่รู้ว่าจะเลวเรเียวดันทีก่านแซงน้า แ, แ, แสงหลังอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยออ้ยโอ้อยโอ้อ้อยอออออออย ก็ไม่ถามปัจจุบันนี้การปั๊บยัวิ่งถึงไีนแล้วนะคตรจะหมดเพราะตัวปัจจุบั น, นเองที่เคยเป็นมาและเป็นอยู่ทั้งที่จะเป็นไปข้างหน้าจะเป็นตัวไหนนั่นนะมันบอกคนดีดมันดิ่ให้เห็ น, นชัดอย่างที่เคยพูดแล้วจิตดวงนี้เองทีนเคยเป็นมาเ น, นี่ยมัน มันจะเป็นข้างหน้าครับกินตรงนี้เองที่มันเป็นอยู่อวไรนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แน่หวยกันเพราะย้อนเวลมัลนขาดใน บ, บ้านเราจากการนนันอดีตอนาคตมาปรากูในความปัจจุบันปัป็นเรื่องไม่สืบไม่ต่ออลไรนี่ก็รู้มักบบนกกลางได้ทั้งหมดอดีตอนาคตเอาปัจจุบันนี้ออกกลางเน่ มันกันเดียวคนคนเดียวกันนี่ก็กจิตดูเนี่ยลองกล้กองความของขนองมันรวดมันเร็วเลยนะมันมีมีมมมอากาิยานให้ดูให้เห็นนี่นะหนีเพียงเร็วกว่าเรื่องเล็กน้อ ย, น, อาาอยออนี่แสดงอาการนี่ถึงเสียอไปคนนั้นไม่แสดงอาการนี้แต่แสดงอาการอื่นมันก็นี่หนักเข้าไปกว่านี้อีนะ กูต้องออกจากนี้ไปก็ไม่ได้กลับบ้านเลยแต่เที่ยวยตอนที่กระผมไปก็บอาจารย์เจี๊ยบลงไปช่วยที่สำนักใหม่สักสิบห้าวันครับผมพอ <c oughs> ไปเอาไม้ไผ่าจากเหมือนกานมาเสร็จเรียร้อแล้วก็ผมขึ้นมาขึ <c oughs> ้นประนี้ไปน้องผมกลับ <c oughs> ขึ้นมาทุกค ร, รั้งพรอมๆกับจานเพียนกับจันอิน ขันที่2อืมท่มรดรันนที่สองรสอากระอืมออ